ส่วนอารัมมณะคณะที่ผู้กาหนดที่มียานปัญญาเป็นตัวนำนั้นคือมโนทวารวิถีที่มีมีปัญญามีปัญญาปัญญานำท่านใช้คำว่าท่านใช้คำว่าอย่างนี้ก็คือในชั้นคำสอนในคำพิสุทธิมตรตที่ใช้คำว่ายาตัญจะยานันจะอุโพติวิปัสเตียที่บอกว่ายาตานี่คือมูนามาทำที่ถูกกาหนด มูนามรารมที่ถูกกาหนดในที่นี้หมายถึงหมายถึงนามรรมที่เป็นไปในจักขูทวารวิถีสวรร์ทวารวิถีคณทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายะทวารวิถีและมโนโทวารวิถีเพราะจะเชื่อมลงต่อกันอยู่แล้วนั้นกลุ่มนามรรมเหล่านี้ที่ถูกกําหนดก็เลยเป็นตั ว, ว่ากกาหนดเพื่อรู้อะไรเพื่อรู้สัน ต, ติคณะของนามรรมเหล่านี้เพื่อจะกระจายอะไร สมูหะคณะของนามธรรมาเหล่านี้ก็คือทั้งจิตและเจตสิกที่มีทั้งเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์พร้อมทั้งรูปขันธ์ด้วยก็คืออุปาทานกัน5นี่แหละเพื่อจะกระจายกลุ่มก้อนของนามเหล่านี้ให้แตกสลายความยึดติดในความเป็นกลุ่มก้อนจะได้สลายไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อจะไปทําลายอะไรจิตจักคณะว่านามธรรมาเหล่านี้เขาทำจิตอยู่ทั้งรูปธรรมและอารูปธรรมเนี่ยเขามีกิตเขามีหน้าที่ของเขาอยู่ การทั้งยังไปทำลายบอกว่าไม่ใช่เราเป็นผู้กระทำแต่นามาธรรมเหล่านี้ต่างหากเป็นผู้ทำกิจต่างๆเหล่านี้โดยการเกิดสืบเนื่องกันอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้ความเข้าใจยนชัดเจนเหล่าเนี้ยจึงจะจําเป็นการทำลายกลุ่มก้อนของนามาธรรมหรือของรูปธรรมดังกล่าวแล้วอันนี้คือตัวไหนตัวยานะนี่แหละถ้าบอกยาตาหมูน่นามที่ที่ถูกกาหนดเนี่ยแปลว่าอะไรทุกสัตว์จะทำทั้งหลายที่จะต้อง ถูกรู้แจ้งอย่างทะลุทะลวงด้วยวิปาาัสนาญาณหรือสมุทัยสัจธรรมที่มีอวิชชาอาวิชชาตันหากรรมเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นสมุทัยสัจธรรมนะก็หมายความว่าเป็นกลุ่มสมุทัยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเหตุของทุกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเหล่านี้จะต้องญาณปัญญาทั้งหลายซึ่งเป็นตัวญาณนะไอ ห, หมู่น้ําที่กําหนดนี่แหละหมู่น้ำมาทําผู้สามารถกําหนด อันมีวิปัสนาปัญญาเป็นตัวนํานี่แหละที่จะเข้ามาเจาะเข้ามาวิจัยเพื่อเข้าทะลุทะลวงความสืบต่อเป็นไปของนามธรรมาเหล่านี้เพื่อปลดล็อกความเข้าใจผิดของสัตว์ทั้งหลายว่าว่าความสืบต่อเนี่ยมันทําให้สัตว์เข้าใจผิดความสืบต่อของนามธรรมาของรูปธรรม ท, ทั้งหลายเหล่านี้ไอตรงเนี้ยสัตว์เข้าใจผิดเพราะไม่เห็นสันตติขณะนี่แหละสัตว์ทั้งหลายก็เลยเข้าใจเป็นอันเดียวกัน เป็นคนคนเดียวกันเป็นความคิดความเดียวอันเดียวกันไม่เห็นการสืบต่อของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปกับจากรุทธวาลลงสุมโนโทวานที่เป็นไปทางโสตทวาลลงสุมโนโทวานเป็นต้นแต่ทั้งหลายก็เลยว่ามีความเข้าใจว่ามันอันเดียวกันนั่นแหละรลกปธรรม ท, ท, ที่นั่งกินข้าวทานอาหารตอนกลางวันกับมานั่งฟังตอนเนี้ก็อันเดียวกันนั่นแหละการสืบต่อเป็นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ขาดตอนอะไรเลยอว่าไงความติดกันเป็นพืชอย่างเงี้ย นามธรรมที่มันกําลังนามธรรมรูปธรรมที่ที่เกิดโดยรูปธรรมที่เกิดก่อนๆใช่ไหมแล้วก็รูปธรรมที่เกิดหลังๆเนี่ยความไม่เหมือนกันเพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์หรือปัจจัยที่ขัดแย้งเย็นและร้อนเป็นต้นที่มาวิ่งทําลายช่วงถีติขณะของรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้ถูกถูกถูกความเย็นความร้อนทั้งหลายเข้ามาโจมตีทั้งหลายเลยเนี่ยนะจริงต่างๆเหล่านี้ยรูปธรรมสันติขณะนี่แหละไอ้ความ ทิฏฐิขณะของรูปธรรม ท, ที่เกิดก่อนสิทธิทิฏฐิขนาของรูปธรรม ท, ที่เกิดหลังๆนี่แหละไอ้กลุ่มพวกปัจจัยที่เป็นปฏิบัติทั้งหลายก็วิ่งเข้าโจมตีแล้วใช่ไหมร้อนบ้างเย็นบ้างหิวบ้างกระหายบ้างเป็ตนต้นเหลือบยุงลมแดดอะไรก็ว่าไปปัจจัยทั้งหลายเหล่าเนี้ในส่วนจริงรูปธรรม ท, ทั้งหลายเหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทั้งภายในด้วยเพราะในนั้นทั้งดินน้ำไฟลมต่างๆก็เกิดภาวะความขัดแย้งกันในตัว ใช่ก็ถึงความสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างต่างๆเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นนะไม่เห็นความสืบต่อของนมามธรรมนี้สันติคณะนี้ปิดอีกเลยอีกอย่างหนึ่งสมูหะคณะไม่สามารถวิจัยได้ก็อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อเช้าว่าในครูทั้งหกมีอยู่ท่านหนึ่งเขาวิจัยเข้าไปจนเห็นไงเห็นจนว่าเล็กๆ เ, เ, เห็นจนเป็นดินน้าไฟลมแล้วเห็นสุขทุกข์ในนั้นและเห็นตัวชีวะเขางมีจบตรงเนี้ย การที่ปรมัดจ๋าเลยต้องให้เนี้ยและที่เนี้ยบอกว่าเพืสัตว์บุคคลเลยเป็นปรมัดเลยเห็นแม้กระทั่งเล็กๆเนี่ยแต่เขากระจายไม่ได้กระจายก ร, ราบอย่างพระบรมศาสดาไม่ได้ผงของก ร, ราบไม่แตกความเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมความเป็นความเป็นกลุ่มเป็นความความเป็นอัตตาก็ปรากฏอยู่แต่พระบรมศาสดาสอนอนัตตาอนุปัสนาเนี่ยพอกระจายสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยนะแตกดับหมด ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แนนอนเป็นอัตราเป็นชีวะใดๆเลยวิจัยจนกระจุยเลยใช่มพระบรมศาสตราสอนปริญญาทาปริญญาในการเข้าวิจัยเจาะทะลุทะลวงสิ่งเหล่านี้ได้นี่แหคือว่านี่มาเจอาศาสนาที่ประเสริฐของผู้พระภาคเจ้าทั้งนั้นก็ติดล็อกคูทั้งหกใช่ไหมก็เข้าไปติดปริญญารตรงนี้แหละถึงบอกว่าเมื่อเช้าั้งพูดไงบอกว่าสอนปรมัตานะ่ไปดูลทินี้ก่อน จะได้รู้ว่าก็สอนได้ไ ด, ได้ได้ดีขนาดไหนนะสอนเจาะประมัติ์เนี่ยนั้นะไม่แต่ว่าหลงอย่างนี้เขาเรียกหลงป ร, งปรมัติ์เข้าใจผิดในปรมัติ์แล้วแต่พระพรุเป็นภาคเจ้าไม่ไม่ได้สอนอย่างนี้นตัวยานนะเนี่ยก็คือว่ามูลนามธรรมที่สามารถกําหนดทีนี้ในอรูปศสตกจะในคัมภีร์วิสุตติมัชตอนที่ตอนนี้ว่าถึงในเรื่องของหมู่รูปเนี่ยนะตัวที่เข้าไปกําหนด ที่มีปัญญานำก็มโนทวารละชนะนั่นแหละในมโนทวารลวิถีเป็นวิปัสนาวิถีนั่นแหละตัวมโนทวารละชนะเจตสิกที่ประกอบรวมเบ็ดเสร็จทั้งจิตด้วย11บเใช่ไหมบวกจิตก็เป็น12แล้วก็ชาวนะชาวนะเจ็ดขณะที่มีปัญญานำทั้งหลายบ้างบางคราวก็ปัญญาไม่เกิดบ้างมีปีติประกอบมีปีไม่มีปีประกอบเป็นต้นอะไรเนี้ยสภาวะธรรมต่างๆเป็นอสังขาริกสังขาริกนั่นแหละ กลุ่มนามธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นตัวเข้าไปวิจัยวิจัยพวกกลุ่มพวกสันตติคณะแล้วก็สมวัคณะแล้วก็กิจจากคณะนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็คือถ้าสันตติคณะก็คณะก็คือความกลุ่มก้อนนี่นะกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนของรูปธรรมเรียกว่ารูปคณะกลุ่มก้อนของนามธรรมก็เรียกว่านามะคณะ ตรงนี้ก็คือว่าในชั้นคำสอนที่ชั้นช้ว่าสันสันตติคณาทีนางอายังวิเศษโสเป็นต้นบอกว่าสันตติคือความเกิดขึ้นต่อเป็นกลุ่มเป็นก้อนของนามธรรมของนามธรรมตรงนี้ก็รู้ได้ยังไงรู้ได้ในวิถีต่างต่างที่เป็นไปในจักขุทวานวิธีโสตะทะวานวิถีคณะทวารวิธีเป็นต้นตรงนี้ท่านแสดงบอกว่า ในชั้นคําสอนตรงนี้ก็บอกว่าการถือเป็นอันเดียวกันด้วยอาํานาจแห่งการสืบต่อเรียวกว่าสันตติคณะการถือโดยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนในการรวมกันอยู่อันนี้เรียกว่าสมุหคณะแล้วก็ไม่เข้าใจกิจของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นเดี๋ยวถ้าเข้าใจเป็นกิจจากคณะส่วนอา ร, รมาณคณะนี่กลุ่มนามธรรมทั้งหลายชื่อว่าคณะ คณะสัญญาจะแก่การละซึ่งคณะสัญญาในนี้นั่น น, น, นะทีนี้ย่อมละเนี่ยท่านไปเทียบไว้ในขั้สองว่าย่อมละซึ่งคณะสัญญาย่อมละซึ่งการถือเอาด้วยความเป็นอันเดียวกันด้วยอำนาจการสืบต่อด้วยอำนาจขอความเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยอำนาจของกิจจากคณะนะแล้วก็ด้วยอำนาจขอความเป็นอารมณ์ตรงนี้ก็คือว่า ในการเนี่ยนะบอกว่าการละซึ่งคณะสัญญาย่อมไม่มีเพราะเพราะความความไม่ได้อนุปัสนาทั้งหลายอนุปัสนามีอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาโดยเฉพาะอนัตตานุปัสนาเนี่ยภาวะที่ไม่สมบูรณ์ของของวิปัสสนาญาณเหล่านี้ก็ไม่สามารถไปทำปริญญาในการที่จะไปกำหนดโดยเฉพาะว่าตีระปริญญาก็ไม่บริบูรณ์ พอตีรณปริญญาเนี่ยการไปพิจารณาเนี่ยเข้าสืบค้นก็สู่ไตรลักษ์ใช่ไหมโดยเฉพาะก็คือว่าทยาตาปริญญารู้สภาวลักษณะพอรู้สภาวลักษณะเบียดเสร็จจนชัดเจนเบียดเสร็จแล้วก็ขยับเข้าไปเป็นตีรณปริญญาการที่เข้าไปวิจัยใช่ไหมเลยรู้ทั้งรู้ทั้งสันตติคณะสมุหะและกิจจคณะเนี่ยต้องอาศัยปริญญาเหล่านี้เข้าไปเจาะนะเข้าไปเจาะ ที่จะทำลายคณะสัญญาเหล่านี้ดังนั้นการสืบต่อของนามและลูปและการเป็นกลุ่มก้อนของนามและลูกกิจของนามและลูปและอารมณ์นะที่เป็นไปในวิถีต่างๆเป็นคณะสัญญาเนี่ยนะท่านบอกว่ามาจากในคำสอนใช้คำว่าอย่างนี้อนาตรักขณะย่อมไม่ปรากฏเพราะถูกคณะปกปิด กลุ่มก้อนของน้ำและลูกปกปิดของรูปแปะรน้ำเนี่ยเหตุเพราะไม่อะไรไม่มนสิกานถึงความแยกกันของธาตุต่างๆตรงนี้มาในวิมติอนัตตลักนณังนานาธาตุวินิโพคะโพคัสะอมานัสิการาขเนนะปฏิฉันนตาณอุปัฏฐิตก็ั้นก็หมายความว่านี่ไงโทษเห็นการไม่แยกรูปธาตุคือไม่แยกธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟและธาตุลม ได้กล่าวไว้แล้วว่าอาณาปาณะบัพยาบทบัพสัมปชัญญะบัพปฏิกูลมนสิการบัพป่าชาทั้งเก้ามารวมอยู่ในธาตุรวมอยู่ในดินน้ำไฟลมและก็สีกลิ่นรสโอชาธาตุเป็นต้นรวมอยู่ในมหาพูดและอุปาทายรูปฉะนั้นเป้าหมายวัตถุประสงค์ผูธองคงเนี่ยสอนรูปกรรมฐานไว้ในกายานุปัสนาติปุฏฐานนั่นเพื่อแยกธาตุเห็นไหมลมหายใจเข้าออกอ่ะสรุปประเด็นก็คือ หาพูดแล้วปลาไทลูยาบทยืนเดินนั่งนอนก็คือหมาพูดแล้วปลาไทลูปฏิกูลแมาสิการบับในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในตับเป็นต้นเหล่านี้ยสรุปก็คือไปแยกดินนะแยกธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมที่พูดถึงว่าคารุปทวีเป็นยังไงระหุปทวีเป็นยังไงนั่นแหละที่พูดเมื่อวานนี่แหละ นั่นแหละสรุปลงมาสรุปตรงนี้ก็คือสรุปก็คือว่าอนัตตลักษณะย่อมไม่ปรากฏเพราะถูกคณะปกปิดเพราะเหตุไม่มานาสิการถึงความแยกกันของธาตุต่างๆถ้าพูดถึงในเรื่องของปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุและเขาวิญญาณธาตุเห็นไหมวิญญาณธาตุก็ไม่แยกถ้าอย่างนี้ก็ไปดูในราหูโลวาทสูตรเทียบเคียงเข้าอีก ก็จะเห็นว่าอ๋อพระผู้ให้ภาคเจ้านั้นน่ะท่านมีทักโโหคือชํานาญในการกระจายธาตุแยกธาตุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องชํานาญต้องทักโโหใช่ไหมต้องชํานาญในการแยกธาตุกระจายธาตุถ้าไม่ชํานาญก็อันนี้แหละสัตว์บุคคลก็มาเป็นแถวหมดเลยเดี๋นี้เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ต้องชํานาญฉะนั้นทั้งนามาธาทั้งรูปธาตุและนามาธาตุเนี่ยต้องชํานาญท่านเลยอุปมาแล้ว นายค่าโคไม่ได้โคคาดนะ่ยโคตะขานายโคคาดนะ่ยนายค่าโคที่มีความชํานาญมากจูงโคมาเนี่ยใช้เวลาในการชําแหละโคไม่ถึง5นาทีแล้วก็จะสอนสิทธ์จนชํานาญเหมือนกันในการชําแหละโคชำระเบ็ดเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ที่ทางสี่แผงขายไม่ได้ประกาศขายโคและเพราะโคหายไปแล้วประกาศขายวาเนื้อโควะเนื้อประกาศขายเนื้อ คำว่าโคหายไปแม้ชั้นใดฉะนั้นสิทธิ์ของพระผู้มีภาคเจ้าต้องทักโขเป็นผู้นเจ้าเจอใครจับฟันชํำแหล่ให้หมดปุ๊บปุเห็นดินน้ําไปลมหมดเลยเนี่ยนะะเขาจะยังจับชํำแหละชํำแหล่ธาตุหกปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุพูดถึงวิญญาณธาตุจะธรรมธาตุกระจายด้วยนะ ไม่ใช่ไม่กระจายธรรมธาตุคือพวกกลุ่มนามารมนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะทำไงจะยอมว่าจะกระจายได้ถ้างั้นคณะสัญญาไม่ไม่กระจุยอไะไรทำไงอนัตตลักษหาย่อมไม่ปรากฏเพราะถูกคณะปกปิดไวใช่ไหมคณะนัปปติฉันนัตาเป็นต้นเนี่ยอานัตตลักณังนัอุ ป, ปัฏฐติถาติเนี่ยเนี่ยปกปิดไว้แล้วในมหาดิการ์บอกไวเงี้ยบอกว่าคณะทั้งหลายเหล่านั้นเกิดปกปิด เพราะไม่มนติการนีการแยกการแห่งธาตุต่างๆแล้วเห็นไหมพอไม่แยกอลทีนี้กรณีอย่างการแยกแยกละเอียดนะไม่ใช่แยกธรรมดานะแค่ดูในผมเน่ยถ้าไม่แยกในขนก็ต้องแยกในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นน่ต้องแยกต้องแยกธาตุถ้าไม่แยกเนี่ยก็เห็นเป็นผมอยู่นั่นแหละผมเน่ะมันเป็นเป็นสันฐานบัญญัตินเนี่ย เห็นเป็นส oh ันฐานของผมเป็นแท่งนั่นแหละกรณีปฏิกูลมรณาการบาปนั้นเห็นด้วยความเป็นแท่งต้องเอาปฏิกูลมรณาการย์บาปนั้นมาแยกด้วยความเป็นท่าแล้วกระจายท่าเทละเอียดจนเห็นอนัตตาปรากฏนู่นแหละนั่นแหละสําเร็จผลในการที่จะละคายถ่ายถอนสําคัญว่าผมได้เห็นไหมเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วนั่นเป็นฐานเบื้องต้นเอาไว้ไม่เป็นไรฐานได้ชานสมาบัตดแต่คุณต้องกระจายลงไปอีก กระจายธาตุเหล่านั้นจนเป็นเห็นด้วยความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นสีเป็นกลิ่นเป็นรสโอชาธาตุนี่แหละเป็นทั้งมาพูดรูปและอุปาตายรูปในผมแล้วก็นี่แหละเดินวิปัสสนาญาณจนทิฏวิสุทธิกลางขาวิตรณวิสุทธินั่แหละแล้วก็ไล่ไปตามลาดับแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ประชุมวิจัยจนเห็นความจริงว่าเงั้ยนะถ่ายถอนอนัตตาปรากฏและถ่ายถอนความเป็นสัตว์บุคคลได้ แล้วก็ละเป็นตะทางค้าประหารเป็นไปตามลำดับในสุดจริงๆก็เข้าถึงสมูทเชียข้าประหารในมรคลได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการบรรลุการบรรลุได้โดยการทะลุทะลวงด้วยการวิจัยใช่ไหมเป็นอย่างนี้ยากไหลไปไม่ถึการที่เราตอนที่เรากลังู มาเจอนี้ปัญหาการถอนอย่างกนเพราะตอนนี้เนี่ยท่ที่ฟังอธิบายในลักษณะของให้รู้จากว่าเมื่อมีเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะจิตนะคะแต่ยังไม่ได้ลงถึงการที่จะถอนถ้าท่ที่ฟังดูก็จะเรื่อง คืออย่างนี้นะเยานเออามดีน <c oughs> ำมาทำคืออย่างนี้ออในชั้นของคำสอนนี้มาถึงบอกว่าอันนี้เป็นเทสนาใช่เขาเรียกเป็นเออเป็นเทศนาไนไนเองเทศนาลำดับเห่งการแสดงพอลำดับเห่งการแสดงเนี่ยก็สราครังจิตตังว่าไปตามลาดับเนาะนจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ จิตมีราคาจิตปราศจากราคามีเป็นอย่างนี้ทีนี้พอพูดถึงในลำดับแห่งการไข้ครวนแห่งการปฏิบัติลำดับแห่งการไข้ครวนลำดับแห่งการปฏิบัตินั้นนะ่ะสืบค้นมาตามวิถีเกิดขึ้นไปตามวิถีเหตุผลก็คือว่าท่านจะพูดถึงแต่ละคู่แต่ละทุกกะให้สังเกตเนี้ว่าจิตมีราคากับจิตปราศจากราคะ จิตมีราคากะระดุ้ชัดว่าจิตมีราคาจิตปราศจากราคากะระุ้ชัดว่าจิตปราศจากราคาไอคู่นี้ต้องมาไข่ควรใช่ไหมทีนี้พอพอไข่ควรในลักษณะนี้ก็ต้องไข่ควรไปตามวิถีอายกตัวอย่างเช่นว่าวิถีมุต่ต่จิตและวิถีจิตเวล า, ายกอย่างเช่นในจักขุทวาแลวิถีเชื่อมลงสู่มโนท ว, วาแวิถีทีนี้ในจักขุทวาแลวิถีในมโนท ว, วาแลวิถีนั้นถ้า ผ่านมาทางจากักขุทวารลวิถีที่ปารบรูบารมปารบสีปารบวันนะก็จะเป็นไปตามลําดับแห่งวิถีผวังอตีแต่ผวังผวังก็จะเล่นนะผวังคู่ประชัท่แล้วก็มันปัญจทวารเราชนะจักรคุ ญ, ญานเห็นไหมสัมปติชนะสันติร า, านาโวทพนากรมต่างๆเหล่านี้แล้วก็มโนทวารเรานะอันนี้คือจิตปราศจากราคะ นี่คือจิตปราศจากราคาทั้งหมดพอมาถึงอกุศลชาวนะซึ่งเป็นโลภะโลภะชาวนะเจ็ดขณะอันนี้เขาเรียกจิตที่มีราคะจิตที่มีโลภะแต่ท า, านเะลิมนะจนถึงลงประวังอันนั้นคือจิตปราศจากราคานี่นะถ้าเข้าใจฐานในการกําหนดเขาเขาอย่างนี้เขาเป็นคู่เป็นชุดอันนี้เขาเรียกลำดับแห่งการปฏิบัติลำดับแห่งทรงสแสดงนะั้นะถ้าอุคติตัญยูวิปปจิตันยูนี่ท่านทะลุทะลวง แต่ลำดับอย่างเราทั้งหลายเหลือในย่า ก, กับปทัทภประมะนี่นะโดยส่วนใหญ่ก็เรียงลำดับแห่งการไข้ควรอย่างนี้ก็แปลว่าจิตมีราคะรู้ชัดจิตปราศจากราคะรู้ชัดแต่วิธีการไข้ควรจริงๆนั้นให้เป็นไปตามทวารเป็นไปตามวิถีเป็นปัญญจากทวารแล้วก็ลงสู่มโนทวารและตัวที่ไปไข้ควรนั้นคือตัววิปาาัสสนาญาณวิถีที่มีปัญญา น, นำนั่นเอง ไปไข้ควรอะไรไข้ควรวิถีที่เป็นปัญญาทวายเราชนะจักกุญญาณสมปัติชนะสันติชณะวโธฏฏปณะกรณีแห่งการไปไข้ควรรักนะี่แล้วก็ชาวนะนี้กลุ่มมีราค่าทั้งหลายแล้วก็ตถารรมนะหรือไม่มีอะไรก็ว่าไปอันนี้การไข้ควรในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็ต้องไปดูลักษณะที่กล่าวถึงเรื่องของโลภะไงถ้าพูดถึงจิตมีราค่าใช่ไหมที่บอกว่า สภาพธรรมที่เป็นเหตุแห่งความต้องการอารมณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับตัวในชื่อวโลภะเนี่ยสภาพธรรมที่ต้องการอารมณ์ที่ชื่อวโลภะก็คือความต้องการอารมณ์เนี่ยลักษณะของเขาก็คือติดแน่นยึดติดแน่นในอารมณ์เหมือนกับลิงที่ติดตังนะี่คือลักษณะอย่างที่กล่าว <c oughs> ทีนี้กรณีบอกถามบอกว่าและและวิจัยยังไง <c oughs> ใช่ไหม ตรงนี้วิจัยยังไงเนี่ยถ้าในชั้นคำสอนสองมุมถ้ากล่าวง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือกล่าวมุมที่ได้สมาธินั้นกลุ่มที่เขาได้สมาธิเนี่ยถ้ากลุ่มสืบเนื่องได้สมาธิเพราะมีสมาบัติเพราะมีปฐมฌานหรือทุติยอา์เป็นต้นเป็นฐานเนี่ยกลุ่มนี้เขาสะดวกอันนี้เขาไม่ต้องมากาหนดพวกกลุ่มพวกฌานานามธรรมาก็ได้นะ เขาสามารถกำหนดพวกจากกุทวานวิถีเชื่อมลงสู่มโนทวารวิถีได้สามารถดูนามมาทำก่อนได้เลยแต่ถ้ายัางกลุ่มที่เป็นสุดท้าวิปัสนาเนี่ยรูปที่พูดเึงเงื่อนกระจายธาตุเหมือนกี้ต้องชำนาญพอรูปกรรมฐานนั่นอนะ่ะบริสุทธิ์หมดจดดีแล้วในฉั้นก็งคำวิยุสุธิมารที่ท่านกล่าวไว้ก็แปลว่าแข็งแรงแล้วพอสามารถกระจายธาตุได้แยก อทวีอาโปเตโชวาโยซึ่งเป็นไปในยาบวยืนเดินนั่งนอนเป็นไปต่างๆชัดชัดเจนนีแล้วแล้วก็นามธรรมาก็ถูกใครควรวญไปอยู่แล้วในชั้นข้องการกำหนดรูปแต่ว่าไม่ได้เป็นประธานเหมือนกับรูปประธานฉะนั้นพอถึงชั้นตอนนี่การที่จะมาดูกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายถ้าถามว่าจิตมีราคาก็รู้ชัดนะ่ะเป้าหมายจริงๆดึงดึงเอากุศลเหล่านี้มาใ ค, าครครวญไม่ใช่ ดึงนามธรรมที่เป็นอกุศลเหล่านี้มามาไข้ขวดทีนี้นามธรรมที่เป็นอกุศลเหล่านี้กลุ่มโลภะนี่นะกลุ่มโลภะนี่นะที่อาศัยกลุ่มโลภะกลุ่มมานะทั้งหลายเนี่ยนะที่อาศัยเขาเรียกว่าอากุศลธรรมเนี่ยเป็นจิตฝ่ายชั่วจิตฝ่ายไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นถ้ากลุ่มโลภะจิตเกิดขึ้นเนี่ยถามบอกว่าจิต จิตในกรณีอย่างการไปกําหนดอะไรหนึ่งถ้ากําหนดตามวิถีเนี่ยไม่ใช่รู้แค่จิตของของกลุ่มโลภะอย่างเดียวรู้ดังที่ได้กล่าวแล้วรู้ตั้งแต่ปัญจทวารแล้วชนะจากคุญาณสัมปัติชนะสันตินวะวอดทนะแล้วก็ดูกลุ่มอกุศลชวนะดูกลุ่มรูปธรรม ท, ทั้งหลายที่อกุศลชาวนะเหล่านั้นไข่ควรด้วยเพราะเป้าหมายของการกําหนดในด้านของการไข่ควรหรือพิจารณาจิตที่มีราคาหรือปราศจากราคาเนี่ย หเข้าใจลักษณะของโลภะเข้าใจกิจของโลภะเข้าใจอาการปรากฏของโลภะแล้วเข้าใจปัจทฐานของโลภะวิเหตุใกล้ของโลภะอันนี้ถ้าเจาะเจาะที่โลภะก่อนเนี่ยนะ mm hmm. ก็ดังที่บอกว่าลักษณะของโลภะก็คือยึดติดแน่น mm hmm. เพราะสภาพของโลภะเนี่ยถ้าถ้าท่านผู้นั้นไม่วิจัยไม่ไข้ควรไม่พิจารณาจะแยกไม่ออกระหว่างเมตตากับโลภะมันคล้ายกัน มันคล้ายกันถ้าเมตตาก็มีความก็รักใช่ั้ยก็รักก็ก็ชื่นใจอโลภาก็ก็รักเหมือนกันก็รักเหมือนกันแต่ลักษณะรักของเมตตาเนี่ยไม่ยึดติดไม่ติดแน่นเหมือนกระลิงติดตังไม่ไม่ติดอย่างนั้นเพราะเป็นลักษณะรักแล้วปล่อยรักแล้ววางรักแล้วเบาใช่ไหมแต่ถ้าลักษณะของของโลภานี่ย เวลาเกิดขึ้นในกระแสของชาวนะเนี่ยรักสิ่งใดชอบสิ่งใดยึดติดสิ่งนั้นเช่นไปรูปก็ติดในรูปเสียงก็ติดในเสียงกลิ่นก็ติดในกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ก็ติดเนี่ยการที่เข้าไปวิจัยไปเจาะเงี้ยปัญญาที่เป็นตัวนำที่เป็นตัวเข้าไปรู้มีปัญญานนะําน่ยไปเจาะถึงเนี้ยแล้วแล้วเขาไม่เลื้เรือนนะว่าตอนเนี้ยโลภะเนะ่ยอาศัยทวนไหนเป็นไปอยู่ ผ่านท้งจากขุทวันปารลบลูปารลมลมสู่มโนทวานเนี่ยเขาพิจารณาลักษณะของโลภะลักษณะของโลภะแต่แต่การรู้ลักษณะของโลภะอย่างนเนี้นะแล้วก็เข้าไปเจาะทะลุดทะลวงกิดของโลภะเนี่ยอย่าลืมนะว่าจริงๆต้องรู้กระบวนการของสันตติคณามาก่อนนะต้องรู้กระบวนการของสันตติคณามาก่อนนะที่ผ่านทางจากขุววทวานลวิถีมโนทวันถีเนี่ ย, ย ต้องรู้กระบวนการเกิดขึ้นของเข้ามาก่อนนะนั่นแหละการที่ไปไปวิจัยตรงนั้นน่ยก่อนแล้วต่อมาถึงบอกว่าโลภะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่โลภะอย่างเดียวท่านบอกว่าจิตก็อยู่ในนั้นเนี่ยผัสสะก็อยู่ในนั้นแหละเวทนาก็อยู่ในนั้นแหละก็ว่าจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์ใช่ไหมแล้จิตที่มีราคานี่นี่ไงจิตเนี่ยแล้วก็มีพวกผัสสะธรรมชาติที่กระทบก็อยู่ในในโลภะจิตนี่แหละ เวทนาธรรมชาติที่สวยรสกินรสบริโภครสของอารมณ์ก็อยู่ในนี้แหละว่างั้นนะแล้วก็สัญญาธรรมชาติที่จําจําก็จําจํารูปอารมณ์เป็นต้นก็อยู่ในนี้แล้วก็สังขารและธรรมทั้งหลายธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่ทําให้สภาพของโลภะจิตมีความเข้มข้นมากขึ้น mm hmm. ก็อยู่ในนี้เป็นต้นก็แปลว่าสามารถรู้สันตติคณะสามารถรู้กลุ่มสมุหะคณะ แล้วนี้ก็ไปรู้ลักษณะรักษาเนี่ยลักษณะรักษารักษาก็คือไปรู้กิจกิจของนามธรรมาเหล่านี้การรู้กิจของนามธรรมาเหล่านี้สําคัญตรงที่ว่าจะแยกนามธรรมา ท, ที่ต่างกันได้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยลักษณะเวลาไปเจริญกุศลใดๆต่างๆจะเกิดภาวะความมั่วว่าอโลภะเกิดหรือตัณหาเกิดหรื อ, ร อ, รอเมตตาเกิด ก็หรลึศธาเกิดอย่างเงี้ยแยกไม่ออกแล้วเพราะมันเป็นสภาพที่รักเหมือนกันเลยชอบที่จะให้ทานเหมือนกันเงี้ยชอบที่จะให้ทานชอบจะรักษาศีลเนี่ยมันชอบโดยโลภก็ได้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยก็แยกไม่ออกแล้วเนี่ยคือการการลู้กิจของสภาวธรรมลักษณะของสภาวธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการที่เข้าไปเจาะทะลุทะลวงวิจัยอย่างนี้เพื่อผลแก่การที่จะเข้าถึงความเจริญแล้วก็ปลยวิจัยทีนี้ในกรณีแห่งการที่ว่า ปรลเนี่ยเวทนาถ้าหากว่าเข้าใจสันตติคณะแต่ละขณะแต่ละขณะนะ เ, เข้าใจชัดเจนเนะแปลว่าโอ้สภาวธรรมที่พระศาสดาแสดงไว้อย่างเนี้ก็ ก, ก็ก็น้อมตามปรุงแต่งตามตามที่พทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นก่อนเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าเบื้องต้นน่ะใครจะไปเห็นนามธรรมาอย่างที่เราเห็นจริงๆเนี่ยเอออย่างอย่างที่สภาวพระศาสดาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงได้แม้กะระแส ความคิดของศาสตร์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นเป็นไปไม่ได้แล้วต้องอย่าลืมนะว่าเราก็เหมือนกันเราไม่สามารถจะสามารถรู้จิตกําหนดจิตได้แม้ทั้งหมดได้แต่ถ้าไม่รู้ขณะเหล่านี้พ้นทุกไม่ได้ต้องเข้าใจขณะเหล่านี้แต่ไม่ใช่ไปทันทุกขณะรู้ทุกขณะรู้อย่างมากมายเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่าเนี้เราจะแยกอะไรไม่ได้เลยจะคลุมเครือแล้ะมัวไปหมดเลย แล้วในส่วนจริงก็เข้าถึงเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเข้าใจตรงนี้แบบเบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่ามันทําลายอะไรทำลา ย, ยตัวปิดของความสืบต่อได้นั้นความคิดสืบต่อทั้งหลายเนี่ยเช่นความความความโลภเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรใช่ไหมอ๋อมาจากปัญจทวารแล้วชนะจากกุ ญ, ญาณสัมปติชนะสันติรณะถึงโวตทัพณะถึงชาวนะอเงี้ย ที่เป็นโลภะเนี่ยนะลงสู่มโนทวารแล้วก็มีการปรุงแต่งหมุนอยู่ในลมต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินต่างๆเหล่านี้ถามว่าวิธีใข้ควรเขาย้อนเอาอาดีต ท, ที่เคยเกิดราคะตน้นนั่นแหละเอามาใข้ควรพระจิตมีราคะไอ้คำว่าจิตมีราคะเนี่ยคำว่ามีอยู่เนี่ยท่านพูดหมายถึงว่าเกิดบ่อยเกิดบ่อย อย่าไปบอกว่าร า, าคากำลังเกิดอยู่แต่เพียงว่าผู้นั้นอัธยาศัยที่โลภะเกิดบ่อยเขาใช้คำว่ามีอยู่ก็รู้ชัดว่ามีอยู่ก็คือว่าแม้มันเกิดเป็นประจำเลยนี่นะอัธยาศัยเกิดเป็นประจำทำไมต้องรอบรู้ทุกทวารเพราะปัจจัยที่ทำให้เกิดโลภะมันเกิดได้ทุกทวาร ทั้งจากขุทวันโซตัทวานคณะทวานยุหัทวนันกายยะทวนันมนทวนันฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องรู้สันตติคณะ ข, ของนามธรรมที่เป็นไปในทวานเหล่านี้ตรงเนี้ถ้าอย่างนั้นมันกระจายคณะเหล่านี้ไม่ได้เมื่อกระจายคณะเหล่านี้ก็ได้ก็ปกปิดความเป็นความเป็นความเป็นธรรมเป็นอันเดียวกันการติดกันเป็นแถวเป็นแนวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เห็นเงื่อนต่อไม่เห็นการสืบต่อของสภาวะธรรมเหล่านี้ ตรงนี้นี่แหละนั้นๆมุมนี้ก่อนอีกมุมหนึ่งเมื่อเมื่อเข้าใจในเรื่องของสันตติอย่างนี้เบรดเสร็จแล้วเนี่ยสมูหะเห็นไหมตรงนี้ชั้นของอัจฉริยาจารย์ท่านก็เระบอกไว้บอกว่าวิญญาณปรากฏผัสสะปรากฏเวทนาปรากฏในย้านนี้เราเรียนจิตานุปัสสนาคือเราต้องการเข้าสู่ประตูจิตปรากฏหรือวิญญาณปรากฏเข้าเข้าประตูนี้ไปเพื่อไปวิจัยรูปนาม ในทวารต่างๆเช่นเข้าสู่ประตูตาทั้งจกักรุทวาิวิถีที่มีโลพาชเฌอนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่เราจะกําหนดสืบเชื่อมโยงไปเพื่ออะไรเพื่อไปสืบค้นว่าโลพาเนี่ยอาศัยอะไรเป็นโลยานเนี่ยอาศัยหัถยวถัตถอาศัยการัชกายคือมหาพูธะลุแล้วุปาหัตยลุเป็นไปอยู่แล้วในในในวิถีเหล่านี้ที่เป็นไปในจกักรุทวาิวิถีเป็นต้นเหล่านี้นะก็นั่นแหละผ่านทั้งจกักรุวัตถุยังไงปารบลูป่ารมอย่างไรเ ป, ป็นต้น เชื่อมลงสู่มนโนทวารและวิถีอย่างไรและป่ารบรูปารมเป็นต้นอย่างไรนั้นไอตัวในลักษณะอย่างนี้เพื่อต้องการเข้าสู่ประตูทางจิตตานุปัสนาเนี่ยทางจิตเนี่ย